สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ยี่สิบเรื่องทำไมไม่ถวายพจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่เก้าและข้อที่สิบนะครับโปรดฟัง พ, งพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเล่าอาันงดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระเจนักของพระเจ้าอย่างน้อยสามตอนนะครับที่จะตอบคําถามเพราะว่าผมตั้งเป็นคําถามว่าทําไมไม่ถวายพระเจ้าของพระเจ้าตอนที่สองครับอยู่ในพระธรรมมารคีบทที่สามข้อที่สิบและข้อที่สิบเอ็ด พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนําทัศน์งเต็มขนาดมาไว้ในลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างร้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะขนาบตัวที่ทําลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ว่างจะไม่ร่วง พระเจ้าจอมโยธาจัดดังนี้แหละเพราะฉะน่าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรมรมลูกาบทที่หกลูกาบที่หก 6. ข้อที่สามสบแปดพระเยซูตรัสว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท้วนยัดสันเนนนล่นทูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยขนานอันนั้นพี่น้องครับทำไมเราถึงไม่ถวายหลายหลายคนบอกว่าถวายไปแล้วจะได้อะไรเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าบอกว่าให้เราไว้วางใจพระองค์ครับและนี่คือสัญญาของพระองค์ว่าพรงเชิญชวนเราให้ถวายแด่พระเจ้าถวายแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตัวเอง แท้จริงแล้วทรับย์สินของเราหากเราพิจารณาดีๆเราก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราครับถามว่าใครเป็นคนที่ประทานฝนดินน้ําการชลประทานภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่นาถามว่าใครเป็นคนที่ประทานโอกาสในการทําธุรกิจถามว่าใครเป็นคนที่ประทานสมองที่มีสติปัญญา เหมือนกับคุณและผมใครเป็นคนที่ประทานและให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเหมาะสมที่เราจะได้มาซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเราคำตอบก็คือพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าได้ให้ทัศนะต่อหรือท่าทีที่เราควรจะมีต่อทรัพย์สินที่พระเจ้าประทานให้นั่นก็คือการใช้ทรัพย์สิน ที่พระเจ้าประทานให้นั้นในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าถามว่าพระเจ้าต้องการเงินจากเราไหมครับไม่ต้องกา ร, รวะครับแต่การที่พระเจ้าบอกว่าให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนนั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังเปิดช่องทางให้เราที่จะมีทรัพย์สินมากขึ้น <almost> <Tokyo. S 1> เพื่อที่เราจะสามารถที่จะแสดงถึงความไว้วางใจพระองค์ได้แสดงถึงความขอบคุณพระองค์ได้ด้วยการให้ออกไปด้วยการถวาย กลับคืนให้พระองค์พ้องครับนี่คือเป็นวิถีที่ดีที่สุดในการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้านั่นคือการถวายตรงนี้เองผมอยากจะขยายความนะครับว่าการถวายตรงนั้นไม่ได้รวมแค่การถวายทรัพย์แต่รวมถึงการถวายชีวิตการถวายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา พอไม่มีสิ่งใดที่จะเพียงพอในการที่เราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้ามากมายถึงขนาดนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะถวายคืนแด่พระองค์ได้ที่สมกับพระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องครับเราจะต้องให้ด้วยความยินดีเราจะต้องแสดงความกตัญญูกตตะเวทีแสดงความขอบคุณพระเจ้าด้วยการถวายพี่น้องทําไมเราต้องถวาย และทำไมเราไม่ถวายใช่ไหมครับพัมพีสุภาษิตบทที่สามบอกว่าพระเจ้าจะให้ยุ้งของเราเต็มด้วยความอุดมและบอกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเล่าอังุนนี่คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าในพระธรรมมารคีเช่นเดียวกันครับพระเจ้าจะขนาบตัวที่ทําลายเพราะว่ามันจะไม่ทําลายผลแห่งพื้นดินของเจ้าผล องุ่นในไรนาของเจ้าจะไม่ร่วงพระเจ้าจอมโยธาตรัสต่างนี้แหละในชีวิตของผมนั้นได้ฟังประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องของการถวายด้วยความสัตด์ซื้อผมเคยได้ยินว่าไรนาของพี่น้องคนหนึ่งเกิดผลมากซึ่งเป็นไรนาคริสเตียนในขณะที่นาที่อยู่ข้างๆกัน น, นะครับศัตรูพืชแมลงลงครับแต่ นาของเขานั้นไม่รงศัตรูพืชไม่ลงและได้ผลผลิตมากทั้งที่อยู่ติดกันนี่คือสิ่งที่อัศาจรรย์และเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเจ้านั้นได้ประทานนะครับตามที่พระองค์ไดสัญญาไว้ในพระธรรมมรารคีบทที่สามข้อสิเ็ดเช่นเดียวกันครับผมมีพี่น้องคนหนึ่งเลี้ยงกุ้งกุ้งในวังของเขานั้ น, พ ร, น, นพระเจ้าอวยพระพรมากกว่ากุ้งในวัง ติดกันกุ้งในวังของญาติพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ครับการรู้ว่าเราทั้งหลายจะได้รับอะไรก็พิสูจน์ถึงว่าทำสัญญาของพระเจ้าท่านเป็นจริงเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเทพรด้วยการเปิดหน้าต่างของท้องฟ้าในขณะเดีวยวกันครับพระเยซูก็ได้สัญญาบอกว่าจงให้และท่านจะได้รับ ตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสันแน่นปูนลน้นพี่น้องครับผมจําได้ว่าคุณพ่อผมเวลาเทศนากันนี้แหละครับท่านก็เอากระป๋องขึ้นไปแล้วก็เอาข้าวครับและท่านก็เทข้าวในกระป๋องและบอกว่าการยัดสันแน่นปูนล้นทํำยังไงก็คือกดครับกดจึงกันทั่งมัน แน่นแล้วก็เทเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกจนกระทั่งมันล้นออกมาพี่คน้องครับนี่คือภาพที่พระเยซูได้ให้เราเห็นก็คือว่าพระเจ้าจะตวงด้วยธนานยัดแขนแน่นจุลล้นธนานั้นใหญ่กว่ากระป๋องข้าวสารนะครับสมัยนี้เราไม่เห็นธนานเราไม่เห็นกระป๋องข้าวสารแต่ผมอยากจะให้เราเห็นภาพของการตักไอศครีมพี่คน้องครับ การตักไอศครีมนั้นตักให้มากๆกับตักให้เลน้อยมันออกมากลมๆเหมือนกันครับแต่เวลาทานไอศครีมเราจะรู้ว่านี่ไอศครีมนั้นมันถูกตักอย่างแน่นแน่นมากๆตักหลายเล็กครั้งจงกนกระทั่งมันกลมนิดนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับเราพี่นั่นครับพระเยซู บ, บอกว่าเพราะท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้า จะได้ส่งตวงให้ท่านด้วยถนานอันนั้นอันนี้คือพระสัญญาของพระเจ้าครับพระเยซูตรัสอย่างนี้ว่าเมื่อเราตรวงให้คนอื่นนะครับเมื่อเราให้คนอื่นมากแค่ไหนพระเจ้าก็จะตวงให้เรามากแค่นั้นแต่พี่น้องครับการตรวงนี้เราเองไม่ได้เป็นเป็นพระเจ้านะครับแต่เราจะได้รับจากพระเจ้าพี่น้องลองจินตนาการดีครับ คนตักไอศครีมนั้นเป็นพระเจ้าเราตักไอศครีม K K ให้กับคนอื่นแต่พระเจ้าตักไอศครีมให้กับเราอันนั้นเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้กับเร า, ใ น, นาร K K ในการเดียวกันท่านจะรู้ว่าเมื่อพระเจ้าตักไอศครีมให้กับเรานั้นการตักของพระเจ้าเป็นไงครับยับสั่นแน่นผุนล้นครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่มีเหตุผลที่จไม่ถวายอีกประการหนึ่งก็คือว่า การถวายทศสาร น, นั้นผมมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าอย่าใช้คําว่าถวายทศสารครับอย่าใช้คําว่าการคืนทศสารเพราะท่านมีแนวคิดของการเสียภาษีครับเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเราต้องเสียภาษีถามว่าแนวคิดการเสียภาษีคืออะไรครับก็คือการคืนนะครับ เพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากแผ่นดินนี้เราต้องคืนภาษีให้กับแผ่นดินเช่นเดียวกันครับพระเจ้าประทานโอกาสพระเจ้าประทานไลยสิ่งหลายอย่างในการที่เราจะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองการคืนสิบเปอร์เซ็นตก็คือการคืนทัศน์นั้นก็เป็นความหมายตรงนั้นแหละครับอย่าไปเรียกว่าถวาย แต่ถ้าคุณจะถวายหรือจะเรียกว่าถวายนั้นคุณต้องถวายลถที่ยี่สิบรัหรือลดที่สามสิบหรือลถที่สี่สิบหรือลถที่ห้าสิบนั่นแหละครับคือการถวายแต่การให้ทัศสารนะครับถือว่าเป็นการคืนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะใช้คําว่าคืนหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ขอให้จิตใจของเรานั้นที่จะ ปักแน่นอยู่ในเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของเราซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของเราแต่เป็นทรัพย์สินที่พระเจ้ามอบไปกับเราดูแลอามน